i n o h n h a ประเด็นมันจะต้องเอ็นต้องแก้ไขแล้วเราสามารถเข้าใจได้อารมณปัจยโยที่ปฏิปัจยโยนันทระปัจยโยนั้นเข้าใจหมดเลยอ่ะเข้าใจเลยอ่ะแต่พอพูดถึงชั้นศีลขึ้นมาแล้วมันล่วงตรงศีลเนี่ยมาก็บอกว่ามันจะตั้งยังไงเนี่ยปัจจะยปริคหายานเนี่ยไม่ธรรมดานะถ้าปั จ, จัยเนี่ยมันชั้นของปัจจยะยปริคหายานนะใช่ไหมก็แปลว่าวิปัสสนาญาตั้งแล้ว เลยสมาธิไปแล้วศิกขาไปแล้วอาม่าก็บถอยกลับมาดูหน่อยสิพระผู้ศึกษาว่ารำทำไมเป็นอย่างนี้อย่างนั้นก็ต้องมานั่งขัดเกลาร์ว่าถามเบสเสต์เนี่ยอามาก็เลยถามว่าเจตนาเสียเจตสิกสังวรอวิติกรมาเนี่ยที่เป็นปฏิโมกสังวรศียมีอะไรเป็นประธานเนี่ยตอบไม่ได้อะไรเนี้ยยุ่งแล้วแต่เนี้ยยุ่งแล้วพราะมีศรัทธาเป็นประธานเป็นตัวนําก็คือในชื่อชั้นของในกุศลจิตวิบาต ลักษณะของปฏิโมกต้องมีลักษณะการควบคุมควบคุมกายกรรมวจีกรรมนั่นเองไม่บาปเผยออกมาอย่างเงี้ยนะต้องลักษณะควบคุมถ้าบอกลักษณะควบคุมก็คือว่ามันคุมพื้นที่ได้อย่างใช่ไหมคําว่าคุมพื้นที่แปลว่าเราเนี่ยถูกบาปคุมพื้นที่มานานแล้วในกระแสใจเราเนี่ยเราไม่เคยชิงพื้นที่กลับคืนมาได้แล้วก็คุมสถานการณ์ได้เลย ามาถึงอุปมาเป็นประเทศในกราจจะขันของแต่ละท่านน่ะก็คือประเทศประเทศหนึ่งใช่ไหมทีนี้ประเทศเนี้ยหมายถึงขันเนี้ยประเทศเนี้ยทุกคนก็จะต้องดูแลประเทศของตนเองเนี่ยมันนั่งอยู่กันนี่คือประเทศหนึ่งนะก็คือขันหนึ่งเนี่ยนะทุกคนก็ต้องควบคุมว่า คุณหรือเราท่านทั้งหลายคุมสถานการณ์ในประเทศของตนเองได้หรือยังว่ามันเกิดจริญละสัมระสายกันเนี่ยเพราะการเผยบาปออกมาทางกายทางวาจาเป็นต้นแม้ทางใจก็ฟุบพุ้งซ่านพุ้งซ่านต่างๆเนี่ยนะด้วยราคาด้วยโทรศัพท์ด้วยโมหะเป็นต้นเหล่านี้ที่เป็นกิเลสเป็นจุดใหญ่เนี่ยถ้ามันจัดการไม่ได้เราจะไปจัดการอะไร นั่นก็ต้องมาจัดการหันมามองดูประเทศของตนเองนี่แหละในกรากรจัดกายในระยกรจัดขันของตนเองในการห้าอายตนะธาตุที่ประชมกันอยู่นี่แหละก็เพราะว่าขันธาตุอายตนะที่มันสืบต่อเป็นไปอยู่เนี่ยอันนี้คือมันเป็นเรื่องของการที่เราปล่อยป่ละเลยมานานแล้วมองออกไหมคําอย่างเงี้ยเราปล่อยป่าละเลยมานานแล้วแล้วปล่อยให้เสรีภาพเกิดขึ้นเนี่ย โลภะอยากจะเข้าเมื่อไรก็เข้าโทสะอยากจะเข้าเมื่อไรก็เข้าโมหะอยากจะเข้าเมื่อไรก็เข้าความกำหนัดยินดีเพื่อเพลินความรุ่มหลงต่างๆมันจะเข้าเมื่อไรก็เข้าแปลว่าเราคุมสถานการณ์ไม่ได้แต่ถ้าใครมีปฏิโมกสังวรศีลก็แปลว่าคุมสถานการณ์ในประเทศดานในทํานองอย่างนั้นแล้วก็มีเจดนาเจดสิกสังวรนอวิติกมะนี่แหละมีมีศรัทธาในพระผู้มีพระภาคไงพระบรมศาสดาเนี่ย ตรัสบอกว่ามีกรุณาในสัตว์โลกว่าสัตว์โลกเนี่ยเป็นปาตีบุคคลที่จะต้องไปเกลื่อนกลนใช่ไหมคือจะต้องลงอบายอ่ะจะต้องไปไปตกลงไปในใบยภูมิและตกไปในสังสารวัตรพระองค์ก็ประทานกุศลศีลให้เลยคือปาฏิโมกข์นี่แหละสังวรศีลนี่แหละปาตีเพราะสัตว์นี่เป็นปาตีบุคคลไงบุคคลที่จะต้องตกไปอ่ะแล้วตกแน่นอน บ้านเดิมเราคือการตกไปในสังสารวัฏและตกไปในอบายภูมิใช่ไหมเมื่อวันก่อนมายังพูดถึงในเรื่องพระจักกุปาัตถ์ท่านปรึกษากายท่านน่ะท่านไม่อยากตกไปในอบายภูมิท่านบอกท่านไม่เอาอบายภูมิดี๋ยวท่านจะเอาเรียมรักท่านไม่เอาแล้วอบายภูมิเดี๋ยวท่านจะเอาเรียมรักเนี่ยแปลว่าลักษณะงั้นที่ท่านปรึกษากายของท่านอย่างนั้นที่ปรึกษาตนเองอย่างนั้นเบียเศษเนี่ย แปลว่าท่านควบคุมสถานการณ์ในประเทศได้แต่ท่านยังจัดการเบ็ดเสร็จไม่ได้จัดอาการเบ็ดเสร็จก็คือยังละไอเจ้าราคาโทสามโมหะโดยสมุทเชทะไม่ได้แต่ท่านควบคุมได้แล้วไม่บาปเผย อ, ออกมาทางกายกรรมวจีกรรมนะและมโนกรรมของท่านก็ไม่เป็นไม่มีความโลภไม่มีความโกรธแล้วก็ไม่มีความหลงเป็นต้นด้วยใช่ไหมท่านไม่เผย อ, ออกมาด้วยเพราะท่านนั่งแท่นในใจได้แล้ว ตอนนั้นเป็นกุศลจิตวิบาทไอ้ทีนี้ถ้าเราไม่รู้จากกุศลเนี่กุศลถ้าเบื้องต้นก็คือนี่ไงเป็นเบื้องต้นเลยแล้วเนี่ยเราต้องนึกเลยว่าตอนนี้เราคุมสถานการณ์ในในใ น, ในกระแสขันเราไม่ได้แล้วปล่อยพุกผลานไปทั่วเลยบางทีนั่นนานก็ดูจะเหมือนจะได้ทีนาข้าก็ปล่อยป่าละเลยนั่นๆ น, น, น, นก็เหมือนจะได้ทีนาข้ า, าก็ปล่อยป่าละเลยเพราะไดอารมณ์ที่คุ้นเคยเรืองอารมณ์ที่เคยชินขึ้นมาหน่อยไปแล้ว ไปแล้วลืมเนี่ยลืมตัวไปกันแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเลยเอาตรงเนี้ยพอจะมองเห็นนี่ยังแต่เนี้ยเอาหมอขาดเป็นนานลองเล่าอีกฟังหน่อยทีว่าไปคุมสถานการณ์ในประเทศน ต, นตนเองอยังไงอ่ออ่าลองเล่าอีกฟังทีไม่ใช่ว่าลักษณะแห่งศีลที่เป็นปฏิโมกสังวรศีลที่ใช้แล้วมีรักหนาญการควบคุมบาปยังไงคุมสถานการณ์ในบ้านต น, ตนเองอยังไง ขึ้ในขันตนเองยังไงที่ไม่ให้บาปเผย อ, ออกมาทางกายกรรมวิจิกรรมและเป็นกุศลศีลเดินได้จริงๆเนื้อต้องเล่าในที่ประชุมฟังหน่อยดี <c oughs> <c oughs> เขาจะได้เอาเป็นแบบอย่างได้บ้างเออนื้อทำอย่างเงี้ยปรากฏชัดเจนแล้วก็สามารถปิดบาปได้จริงนะเไม่ได้เลยครับ คือคือประเด็นอยู่ตรงที่บอกว่าคือลักษณะของปฏิโมกสังวรศีลนั่นต้องมีลักษณะาการควบคุมใช่ไหมลักษณะนการควบคุมเพื่อไม่ให้บาปนั้นเผยออกมาทางกายทวารวาจีทวารใช่ก็แปลว่าหนึ่งตัวเจตนาศีล น, นั่งแท่นในใจได้กุศลจิดูบาปได้คือมีเจตนาในการที่จะงดเว้นมีเจตสิกศีลใช่ สัมมาวาจาสมากรรมตาสมาชีวะอนาปิชาพยาบาทสมาธิฏฐินั่งท่านอยู่ในกุศลจดุบาทได้แล้วก็มีสังวรนะสังวรเนี่ยมีศีละสังวรเป็นต้นอันนั้นก็เป็นตัวทั้งศรัท ธ, ธาอะไรก็ว่าไปตามลําดับแน่นเงแล้ววิติกามะคือการไม่ก้าวล่วงคือมา น, นั่งแท่นในใจเพื่อต้องการจะไม่ก้าวล่วงบาปอากุศลมันต้องนั่งแท่นในใจใดเจตน า, าเจตสิกสังวรใวิติกามะใช่ไหม ต้องนั่งท่นในใจแล้วก็เป็นกุศลจิจโบาทนั่นเองมีรักในการควบคุมเลยเหมือนกับคุมสถานการณ์ดังกล่าวถ้ากุศลศีลมันต้องเกิดอย่างนี้เอายกตัวอย่างเช่นว่าอย่าลืมนะว่ายัางหมอหมอเข้าไปในสถานการณ์เหล่านั้นต้องรู้ไว้ก่อนใช่ไหมว่าสถานการณ์ที่จะไปนั้นเป็นสถานการณ์ที่บุคคลไม่รักษาศีลเพราะเราจะไปเกี่ยวข้องกับคนไม่รู้จกักศีลกันโดยส่วนใหญ่อย่างเงี้ยนะฮะ ก็เป็นชาวพุทธกันนี่แหละโดยส่วนใหญ่แล้วก็ไม่รู้จักศีลกันนี่มันจะต้องเริ่มคิดเริ่มใช่ไหยไม่ใช่ว่าเออปล่อยไปตามรวมๆแล้วก็คิดไว้ก่อนว่าเราไปเกี่ยวข้องกับท่านูวเนี้ยโอกาสพลาดในการที่เราจะต้องเสพคุณแล้วก็ล่วงละเมิดกุศลศีลเนี่ยเป็นไปได้สูงไอ้ความระมัดระวังไว้ก่อนตรงนี้ก็จะช่วยได้ค่อนข้างเยอะทีนี้พอเกิดจากการที่จะมีการล่วงละเมิดพอกุศลศีลจะไม่เกิดเนี่ย ไอเวรเจตนากุศลที่เป็นเหตุแห่งการพูดเท็จส่อเสียดคําหยาเพื่อเจอือต่างๆมันจะเกิดขึ้นมาแน่นอนเมื่อเราสนทนาทุกครั้งทุกครั้งนะการสนทนาการเปล่งวจีการออกมาแต่ละครั้งเนี่ยมันจะมีการล่วงละเมิดกันอยู่เรื่อยนั่นแหละทั้งผู้ศึกษาแล้วและผู้ที่ไม่เคยศึกษาแต่ผู้ที่ไม่เคยศึกษาก็โอโ้ยิ่งใหญ่เลยแต่ถ้าผู้ศึกษาแล้วทํำยังไงมันจะต้งสามารถประชุมกุศลและศีลได้ค่อนข้างดีเพราะอะไร เวรเจตนาอากุศลมันจะต้องถูกตัดรอนด้วยวิรติสัมมาวาจาวิรติน่ะจะต้องมาเห็นไหมกลุ่มเจตนาเจสิกสังวรวิติกามาต้องบอกแล้วเนี่ยเวราเจตนาเล่นงานแล้วเมื่อันจะล่วงละเมิดแล้วไอ้วิรติทั้งหลายก็มาตัดรอนเนี่ยในทํานองว่าขู่ก็ได้ใช่ไหมบอกว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้แล้วฉไหนเจ้าจึงเข้ามามันก็ตัดได้เลย ตัดได้ทุกครั้งไอ้ตัววิรัตเนี่ยมันจะตัดได้เลยนะไอ้ภาวะของการที่จะกล่าวเท็ตนั้นก็เป็นอันหยุดชะงักไปอย่างนี้เป็นต้นหรือบางคราวเนี่ยมันล่วงไปแล้วมีการพูดเท็จส่อเสียดหรือคอําหยาบเพ่อเจอไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ก็กุศลที่มันเจริญได้เร็วที่สุดมันจะเข้ามาตรึกนึกทันเร็วมากเพราะการอัธยาสัยที่เจริญกุศลจนมีกําลังมันจะเข้ามาตัดรอนและสำทับเลยบอกว่า จะไม่ให้บาปหรือว่เวลาเจตนากุศลที่เป็นเหตุแห่งการกล่าวเทศเป็นต้นเนี่ยเข้ามาในใจได้อีกก็ง่ายๆแล้วนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปมันก็สมาทานสำทับขึ้นมาอีกเลยไอ้ความตั้งมั่นตรงนี้คือเรื่องมันชัดเจนขึ้นในการเจริญกุศลใช่ไหมแล้วเห็นเป็นเรื่องใหญ่เลยอะเห็นเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเลยเมื่อความทุศีลจะเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นเห็นเป็นความชื่นใจเป็นความดีใจเป็นลาภอันประเสริฐเลยนะ เมื่อสามารถงดเว้นได้ทำศีลกุศลศีลให้บริสุทธิ์หมดจดเป็นต้นได้ใช่ไหมก็เห็นสภาวะของกุศลศีลที่มันเดินได้จริงในชีวิตจริงอย่างเงี้ยถ้าอย่างงี้ใช่ใช่ไหมพุทธบริษัทของพระผู้ทธไม่บ้าเจ้าต้องเป็นแบบนี้ต้องเดินตามเพราะศรัทธาแข็งแรงใช่ไหมเพราะศรัทธาแข็งแรงก็เป็นอย่างเงี้ยนั้นลักษณะาการที่ว่าไม่ล่วงไม่ก้าวล่วงก็จะเกิดเป็นระยะระยะเลย แล้วก็คอยป้องกันอยู่ตลอดเวลาแม้การฟังว่าทำอยู่ใช่ไหมบาปกุศลมันจะต้องมาแทรกตลอดแน่นอนก็ระมัดระวังแล้วก็วางจิตในการที่จะเดินกุศลได้จริงในขณะที่ศึกษาว่าทำคาสอนอย่างนี้เป็นต้นมีใครจ ะ, สะแสดงตัวอย่างอีกไหมที่สามารถรักษาได้แล้วก็คือคือในกลุ่มของของสังเอก กรณีอาชีวะบริสุทธิ์ศีลเนี่ยสังวรบริสุทธิ์เนี่ยนะ เ, เป็นชื่อของวิรยิยะก็คือความเพียรชอบทีนี้กรณีอย่างนี้ในส่วนของพระในส่วนของอาชีพของพระในส่วนของอาชีพของครวาสโดยหลักการทัานก็แยกแยกวิธีการปฏิบัติก็คืออย่างถ้าเป็นคราวาสก็คือไม่ค้าขายยาพิษไม่ค้าขายยาเมาเน้นำเมาสัตว์เป็นยาพิษอะไรต่างๆก็ว่าไปนั่นคือหลักการ แต่ถ้าหากว่าในหลักการของพระก็คือนั่นแหละในกรณีที่ให้ใบไม้ให้ไม้ไผ่ให้ของเล่นให้อะไรต่างๆทําตัวเป็นผู้รับใช้คารวะหรือว่าประเภทที่ประจบประแจงคารวะเพื่อสักการะเพื่ออะไรต่างๆเหล่านี้ยอมตนให้เขาใช้สอยรับเลี้ยงลูกให้เขาอะไรต่างหลักการหรือว่าการเลี้ยงชีพในทางที่ผิดทั้งหลายอันนั้นก็คือหลักการนี้แต่ว่าตัวตัวศีลจริงก็คือเป็นตัววิรยวิรยะที่ในกุศลจิตตุบาบา ที่มีลักษณะแห่งการที่จะงดเว้นมิจฉาอาชีวะใช่งั้นเวละเจตานาอากุศลที่เป็นเหตุแห่งการเลี้ยงชีพผิดเนี่ยใช่ตัวสัมมาวายามวิรติเนี่ยนะตัวอาชีวะเนี่ยสัมมาอาชีวะเนี่ยตัววิรติสัมมาอาชีวะวิรติตัวเนี้ยนะก็จะมาเป็นตัวตัดรอนเวละเจตานา อกุศลที่เป็นเหตุแห่งการเลี้ยงชีพผิดทุกประเภทมันจะตัดรอนเป็นระยะระยะเมื่อจิตคิดในกรณีที่จะแต่งท่าอย่างสมมุติอามาเนี่นะเอ๊ถ้าหากว่าบรรยายแบบนี้สงสัยคนจะศรัทธาน้อยนี่ต้องตั้งท่าให้มันดูดีๆหน่อยที่เจตนามันเป็นบาปขึ้นมาอามาก็ตั้งท่าให้ดูเหมาะสมเพื่อจะทําให้ดูท่าทางมันเกิดสกะคนในศรัทธามากๆเพราะตั้งหลักไปอย่างนี้เบียเศต์ไอ้ น, นี่แปร เวลาเจตน า, ากุศลที่เป็นเหตุในการเลี้ยงชีพมาผิดแล้วก็มาแต่งท่าไงหรือแต่งท่าเดินอย่างเนี้ยจะได้สการะเยอะๆแต่งท่านั่งอย่างนี้แหะคนจะนับถือมากๆลักษณะอย่างนี้เป็นต้นนั้นคืออามากําลังเลี้ยงชีพผิดเพราะเป็นเวลาเจตน า, ากุศลที่เป็นเหตุแในการเลี้ยงชีพผิดแต่ถ้ามีวิริยะที่เป็นวิริยะที่เป็นอาชีวะสมาอาชีวะวิรตีเนี่ยนะเขาเรียกว่า เป็นสมาชีวะเนี่ยนะเป็นเวรตีเนี่ยมันจะตัดรอนเวรเจตนาอกุศลนี่จะเป็นเหตุในการเลี้ยงชีพผิดคารวะก็เป็นอย่างนั้นฉะนั้นโดยรูปแบบเนี่ยนะคารวะเขาจะวางหลักท่านจะวางหลักไว้ห้าก็ว่าไปแต่โดยหลักการจริงๆก็คือว่าเจตนาแห่งการโคดโกงเจตนาแห่งการหลอกลวงเจตนาแห่งการเลี้ยงชีพผิดของคารวะนั้นก็นนจะถูกตัดรอนด้วยวิรตีคืออาชีวะเวรตีนั่นเองแต่ก็จะถูกตัดรอนด้วยว่า คือไม่ก้าวล่วงไม่ก้าวล่วงมิฉาอาชีวะออกจากมิจฉาอาชีวะได้ดําเนินอยู่ในสัมมาอาชีวะและเป็นกุศลนีาบางทีเนี่ยเราประกอบอาชีพถูกจริงๆแต่เราเดินจิตผิดเนี่ยเป็นอกุศลและจิตเห็นไหมเราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้สัมมาอาชีวะวิรติเลยแต่เดินถูกหมดนะอา้าวดอตราดาไปสอนสื็จทุกวนันอย่างเงี้นะ เป็นอาชีพประกอบอาชีพนั่นแหละทางกฎหมายเล่นไม่ได้เลยแต่เป็นบาปทุกวันเอาสิใช่ไหมเป็นบาปทุกวันเลยเพราะว่าอาชีวะเนี่ยสัมมาอาชีวะไม่เกิดเนะี่ยเกิดเป็นมิจฉาอาชีวะเกิดเยนะเป็นอกุศลเกิดอย่างเงี้ยนะโดยหลักนะ่มันใช่ใช่ไหมโดยหลักการนะ่ใช่แต่บาปมันเกิดเนะี่ยใช่ไหมนี่เป็นแบบนี้เพราะว่ามัน เหมือนเมื่อามาเนี่ยเดินบินบาตแต่เป็นมิจฉาอาชีวะก็ได้เป็นสัมมาอาชีวะก็ได้จะเอารูปแบบเป็นตัวตั้งก็ไม่ได้ตัวเนี้ยเดินบินบาตนี่นะถ้ามาคิดเกิดประเภทที่ลามกขึ้นมาในใจเนี่ยก็ผิดทันทีนะหรือว่าเอาแล้วมีคนมาหน่อยเดี๋ยวโถมพา้าดูเรียบร้อยเนี่ตั้งท่านหน่อยท่านี้สงสัยได้ปัจจัยเยอะแน่นอนอย่างนเนี้ยนะนัมมาก็อัมมาก็พลาดอีกแล้วนี่มันเป็นอย่างนี้ มองออกใช่ไหมตรงเนี้คือคือประเด็นก็อยู่ตรงที่หลักก็คือตังที่ได้กล่าวก็คือว่าคือหลักที่พระบรมศ า, าศาสดาวางไว้จะเกือ้อกูลมากเกื้อกูลต่ อ, อการเจริญสมาธิวะได้ดี ใช่ไหมถ้าหากว่ามันเลยจะก็บางทีมันหลักสัจสินอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าพระเจ้าบอกว่าไม่ค้าขายยาพิษไม่ค้าขายสาัตว์เส็นไม่ค้าขายต่างๆว่าไปไม่ค้าขายอาวุธใช่ไหมอันนี้คือหลักแต่จริงอยู่นะบางคนก็ไม่ได้ไม่ได้ผิดหลักตรงนี้ก็จริงแต่แต่แต่โดยหลักการก็คือว่าเมื่อเข้าใจอย่างเนี้ถถยถให้สังเกตดูนะว่าเมื่อเป็นอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยในพระศาสนาพระพุทธเจ้าสอนเรื่ององบดีทั้งหลาย เพรโดยหลักไม่ใช่มีแค่นั้นไงแต่นั้นเป็นแบบหลักที่พระองค์วางไว้ในถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วเพราะจะเกื้อกูลแต่การจเจริญอาชีวะได้ดีใช่ไหมเบื้องต้นน่ะที่พระองค์วางหลักตรงนั้นแต่ว่าตัวขับเน้นจริงๆไงคือตัวกุศลต้องเพราะตัวองค์ธรรมของสัมมาอาชีวะมันได้แก่กุศลไม่ใช่อกุศลนะฉะนั้นไอ้รูปแบบเนี่ยก็วางหลักไว้ในถูก แต่ตัวขับเน้นจริ ง, รงๆคือกุศลแล้วกุศลที่เป็นเหตุแห่งการที่จะไม่ล่วงละเมิดหรือจะไม่ประพฤติอาชีพานที่ผิดพลาดเห็นไหมเนะีวิริยะนั้นสังเกตโ ด, ดยเป็นความเพียรที่บริสุทธิ์ด้วยการประกอบอาชีพเนีย่ยเท่บอกว่าเขาบอกว่าดูก่อนขึ้นธรรมวดีทั้งหลายบอกว่าอาริยะสาวกในพระศาสนานของตถาคตเขาบอกว่ขยันหมั่นเพียรเนี่ย ด้วยความหมันอาบเหงื่อต่างน้ําด้วยลําแข้งเป็นต้นได้ซับมาแล้วเห็นไหมเมื่อได้ซับมาแล้วก็เลี้ยงต้นให้เป็นสุกยังไงเลี้ยงพ่อแม่พี่พ่อแม่พี่น้องให้เป็นสุกยังไงเลี้ยงเพื่อนฝูงเป็นต้นให้เป็นสุกยังไงอันนี้แปลว่าอะไรไหมคือทํางานด้วยอาบเหงื่อต่างน้ําก็จริงอยู่แต่ในขณะตนเองประกอบอาชีพเป็นสมาชีวน่นะเห็น ไ, ไหมเพราะว่าได้มาด้วยความบริสุทธิ์ไง ซับก็ได้มาโดยบริสุทธิ์ใจของตนเองก็เป็นกุศลใช่ไหมคือทรัพย์ก็ได้มาด้วยอาบเหงื่อต่างน้ํากุศลก็เกิดขึ้นเพราะอุบาสกอุบาสิกาในพระศาสนาของพระองค์นี่จะเป็นแบบนี้พระองค์จะมองวางหลักปฏิบัติอย่างนี้เลยก็คือว่าอาชีพก็บริสุทธิ์ใช่ไหมตัววิริยะที่เกิดขึ้นกับกุศลก็บริสุทธิ์คือท่านเข้าใจกันนั้นเพราะเวลาพระองค์วางหลักปุ๊บไว้เนี่ยมันถึงเข้าล็อกพอดีไงแต่ในยกคปัจจุบันเนี่ย บางทีเรายึดแต่หลักเรายึดแต่หลักแต่เราจะคอยหลบเลี่ยงกันอยู่เรื่อยในตรงเนี้ยมันไปเรียนเหมือนเรียนกฎหมายทั้งโลกอะ่ะที่มาเคยบอกว่าเรียนก็จะหลีกเลี่ยงไม่ให้ตนเองติดคุกติดตารางเท่านั้นเองจะให้ออกจากจุดนั้นได้แต่โดยหลักแล้วมันพลาดถ้าอย่างงี้ก็ตกใ น, นโลกนี่ถ้าเราเรียนถ้าเราทําถูกหลักยิงแต่ว่าใจมันเป็นบาปทุกวนันอเงี้ยมันก็ตกใ น, นโกตายหมดเลยตรงเนี้ยยุ่งเลยมันจะออกได้ยังไงใช่ไหมคือเน้นต้องเน้นสองส่วน ส่วนหลักต้องถูกและอีกส่วนหนึ่งก็คือสภาวะธรรมคือกุศลจิตต้องเกิดถูกได้ด้วยมันจะเตือนสัมมาชีวะและสอดคล้องกับอาชีพที่ถูกด้วยแล้วก็สอดคล้องกับกุศลจิตุบา ท, ที่เดินด้วยเอาจริงไหมเหมือนเนี่ยเมื่อกี้ทมาถามยอมว่าศรร 5, าี่ห้ายมรู้มียอมท่านหนึ่งยอมก็บอกอ่ะยอมก็รู้ตั้งแต่เป็นเด็กอนุบาลแล้วก็จริงๆก็รู้กันมาทางนั้นแหละไปเสาธงก็ให้ประกาศกันแล้วใช่ไหมประกาศกันแล้ว ข้อที่หนึ่งข้าพเจ้าจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทําชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงอันเป็นเหตุแห่งการฆ่าอางเงี้ยข้อที่สองข้าพเจ้าจะไม่ลักทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นเอามาเป็นของตนด้วยการเห็นขโมยก ร, กระท่องกันมาตั้งแต่เด็กแล้วอันนั้นมันหลักจะถามว่าแล้วตัวสภาวะของศีลล่ะมันเกิดได้จริงไหมถ้ามันไม่จริงมันก็เดินศีลโดยอกุศลเพราะอากุศลก็เป็นศีลเนี่ยในวิสุทธมิมารก็มีเอาสิอกุศลละศีลไง ศีลสามอย่างไงอกุศลศีลก็มีอกุศลศีลก็มีอภิญญากตะศีลก็มีก็นั่งเรียนกันมาแบบนี้อะแล้วมันอะไรเนี่ยก็ได้อกุศลศีลก็คือความทุศีลศีลมันแตกไปแล้วเอาที่จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนไปก็ศีลไม่มีอว่างไงก็ศีลไม่เกิดที่พอจะมองเห็นไหมทีเนี้ยเพราะกุศลศีลไม่เดินตรงนี้นี่แหละเวลามาแยกแยะมาแยกแยะมาศึกษาคําสอนมันก็เลยเป็นปัญหาเลย ใช่ไหมเป็นปัญหาเลยก็เรียนแบบเอาอกุศลไปเรียนศีลเรียนธรรมะกันแหละแต่เนี้ยถกเถียงกันหน้าดําตาแดงโกรธกันมาอาจารย์ก็โกรธสิสิก็โกรธอาจารย์โน่นมาเนี้ยเขาว่ากันมาไอ้นั่นสอนผิดสอนถูกว่ากันใหญ่เลยแต่เนี้ยเอาละใช่ไหมคนนั้นสอนเขาท่าหน่อยคนนี้สอนดีหน่อยก็ไปก็ไหลกันไปอย่างเงี้ยไหลไปก็ไหลมาอย่างเงี้ยเหมือนวัวถูกต้อนยังไงก็บมิจฉุน ต้อนเขาปะจะถูกตอนไปลงค้าวว่ยุ่งเลยนเนี้ยเนะ่ยเขาจะไปเชื่อจิตแล้วยังไม่รู้ตัวกันเลยพวกเราเนี่มันเป็นนักโทษประหารนักโทษประหารที่ยังมีโอกาสได้เรียนพระธรรมว่าก่อนจะตายวางใจกันให้ถูกแค่นั้นเองแต่ก็โดนคําสั่งประหารหมดแล้วตัเนี้ยให้สําคัญว่านักโทษประหารกําลังเรียนธรรมะกันจริงไหมยอมแกเราเป็นนักโทษประหาร ยิ่งออกมาเนี่ยโอ้หนักเลยเขาตีตรวนเลยอย่างเงี้ยเนี่ยตีตรวนแล้วมีการทบมีการกระทําอะไรเยอะแยะเบสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกอ้าวยังมีชีวิตอยู่อ่ะว่างั้นนะอีกนิดหนึ่งว่างั้นถ้าอย่างเงี้ยยิ่งชัดใหญ่เลยแตาอย่างเงี้ยยิ่งชัดใหญ่เลยแต่สรุปก็คือ น, นักโทษประหารใช่ไหมมันก็ต้องปรึกษากันอย่างนักโทษประหารปรึกษากันใช่ไหมมันต้องปรึกษากันอย่างเงี้ยจริงไหมหมอ นักโทษประหารมานั่งปรึกษากันเนี้ยเ น, นี่ยตอนเนี้ยว่ามานั่งปรึกษากันบอกว่าเราถูกประหารแน่ใช่ไหมแต่ประหารเบ็ดเสร็จแล้วถามบอกว่ายังจะยกขันธพลาขึ้นมาแบกกันใหม่ไหมก็ปรึกษากันอย่างนี้ยแบกไหมเหตุปัจจัยยังจะต้องแบกไหมถ้าแค่นี้ยถ้าแค่นี้ต้องแบกเนี่ยนะไอแ ต, ต่ตรงนี้นี่แหละจะทําให้เราเดินได้และเข้าใจคําสอนได้ ก็เหมือนกับที่ว่าบางทีเราว่าโอ้โหคนคนนั้นน่ะทุศีลคนคนนี้มีศีลคนคนั้นเป็นคนดุคนคนั้นเป็นคนเสแสยมในคาหมีสังยุทธ์เนี่ยในจันทสูตรเนี่ยพระเจ้าตรัสอย่าง้ไหมขั้นนั้นแหละนายจันทคามีนีเข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดาถึงที่ประทับนักเฝ้าแล้วนั่งหน้าที่ควรส่วนขั้นหนึ่งแล้วก็ทูลถามพระบรมศาสดาบอกว่าข้าแต่พระองค์เจริญไรหนอเป็นเหตุ อะไรเนอเป็นปัจจัยบุคคลบางคนในโลกนี้ถึงความนับว่าเป็นคนดุเป็นคนดุนอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําว่าเป็นคนดุเนี่ยอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยว่างั้นและอะไรเราเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่นับบอกว่าบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนสงบเป็นคนสงบเงียมพระบรมศาสดาก็ตรัสว่าข่าวไม่นี้คนบางคนในโลกนี้ยังละราคะไม่ได้ละราคาไม่ได้เพราะเป็นผู้ยังละราคาไม่ได้คนอื่นจึงยั่วให้โกรธ คนที่ยังละราคาไม่ได้เมื่อถูกคนอื่นยั่วให้โกรธย่ำแสดงความโกรธให้ปรากฏผู้นั้นจึงนับว่าเป็นคนดุเห็นไหมพวกเราอย่างยิง้งั้นาเป็นคนดุ ก, กันอยู่นะเพราะโทษเหตงการยังละราคาไม่ได้นี่แหละเพราะมีเหตุปัจจัยที่จะทําให้โทสะเกิดมันเลยเกิดเพราะราคาเป็นปใจใัจจัยเกิดโทสะได้ใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นบางคนบางในโลกนี้ยังละโทสะไม่ได้เพราะเป็นผู้ยังละโทสะไม่ได้คนอื่นก็ยั่วให้โกรธได้ง่าย คนที่ยังระโทรศัพทไม่ได้เมื่อถูกคนอื่นยั่วให้โกรธก็ย่อมแสดงความโกรธให้ปรากฏก็นับว่าเป็นคนดุขึ้นมาเราเนี่ยเป็นคนโหดร้ายเนี่ยถ้าพูดไปแล้วเป็นคนดุสังเกตที่ยุงกัดตอบยุงบ้างอะไรสักแบบเนี่ยโหดร้ายไปฆ่าเขาอะใช่ไหมไปฆ่าเขาเอาเปรียบเขาอะไรเยอะแยะไม่ต้องไปพูดอีกก็จะบอก ว, ว่าเรายังระราคะไม่ได้ระโทรศัพท์ไม่ได้ คนบางคนในโลกนี้ยังละโมหะไม่ได้เพราะเป็นผู้ยังละโมหะไม่ได้คนอื่นยั่วให้กโกรธคนที่ยังละโมหะไม่ได้ถูกคนอื่นยั่วให้กโกรธย่อมสแสดงความโกรธให้ปรากฏเวลามันบินผ่านหน้าบา่อยๆโกรธไหม <c oughs> บินบินมาอยู่นั่นไหมนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละคนอื่นเขายั่วให้กโกรธก็โกรธเพราะโทษเหตุการละราคาไม่ได้ละโทสศไม่ได้แล้วก็ละโมหะไม่ได้ใช่ไหม เห็นไหมเนี่ยเขาเรียกว่าเราเนี่ยไม่ใช่คนสงบเสงี่ยมเราเป็นคนดูเราคนใจร้ายคามินีนี่แหละเป็นเหตุนี่แหละเป็นปัจจัยที่ทําให้คนบางคนในโลกนี้ถึงนับว่าเป็นคนดูคามินีอีกอย่างหนึ่งคนบางคนในโลกเนี้ยลาราคาได้แล้วเพราะเป็นผู้ร่าราคาได้คนอื่นยั่วให้โกรธคนที่ล่าราคาได้แล้วเนี่ยคนอื่นยั่วให้โกรธก็ไม่แสดงความโกรธให้ปรากฏผู้นั้นจึงนับว่าเป็นคนสงบเสงี่ยม ใช่ไหมพระอริยะทั้งหลายเนี่ยท่านละได้ฉะนั้นเนะ่ยเมื่อคนท่านละร า, าคะได้คนบางคนในโลกนี้ละโทสะได้แล้วเป็นเพราะเป็นผู้ละโทสะได้คนอื่นยั่วยิ่งโกรธคนที่ละโทสะได้เมื่อถูกคนอื่นยั่วยิ่งโกรธก็ไม่แสดงความโกรธให้ปรากฏจึงนับว่าเป็นคนสงบสงี่ยมคนบางคนในโลกเนี้ยละโมหะได้แล้วเพราะเป็นผู้ละโมหะได้ คนอื่นยั่วให้โกรธคนที่เล่าโมาหะได้แล้วคนอื่นยั่วให้โกรธแล้วก็ไม่แสดงความโกรธให้ปรากฏผู้นั้นจึงนับว่ า, เ, าเป็นคนสงบเสงี่ยมใช่ไหมนี่แหละคือเหตุปัจจัยของคนในบางคนในโลกเนี้ยเป็นคนสงบเสงี่ยมเป็นเป็นต้นอย่างเงี้ยพระบรมศ า, าสดาก็ตรัสบอกว่านายจันทกามีก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์มือธรรมเทศนาวุธิเจ้าเนี่ยบอกแจ่มแจ้งยิ่งนักเป็นต้นเนี่ยตรงนี้ก็คือว่าก็คือเขาปะกรณีที่บอกว่า ถ้าเราให้สังเกต ด, ดูนะว่าโทษเหตุการที่ละราคาละโทสะละโมหะไม่ได้เพราะอะไรเนี่ยล่วงละเมิดเห็นไหมในชั้นของกุศลศีลไม่มีเนี่ยมันก็จะถูกอกุศลเหล่านี้แทรกตลอดใช่ไตรงนี้เนะี่ยลักษณะแห่งกุศลศีลท่านถึงเรียกว่าควบคุมก็คือควบคุมภาวะของความเป็นคนดุเป็นคนดุหรือเป็นคนใจร้ายนั่นเอง แต่การยาณบุบลชนเนี่ยต้องเป็นคนใจไม่ร้ายต้องไม่ใจร้ายใช่ไหมก็ต้องใช้คําบอกว่าถ้าการยาณบุบลชนดูก่อนท่านผู้มีใจงามทั้งหลายต้องใช้คํานี้ใช่ไหมถ้าอย่างนี้ใช่การยานบุรบลชนเพราะเราปราถนาที่จะพ้นออกจากสังสารวัตก็คือเป็นคนมีศีลคนมีศีลก็คือคนที่มีใจงามคนที่มีใจสดใสคนที่มีใจสว่างคนที่มีใจที่ออกจาก บาปอากุศลไม่ล่วงละเมิดบาปอากุศลก็คือไม่ก้าวล่วงลักษณะการไม่ก้าวล่วงก็เรียกคนใจงามก็คือคนไม่ดุไม่เหมือนในจันทสูตรเนี่ยจันทคามินีจันโทคาเินีเนี่ยคือนายบ้านคนหนึ่งเนี่ยจันท่าเนี่ยแสดงให้ปรากฏปาตุกกะโรติอ่ะก็คือหมายความว่าเขาทะเลาะก็ทะเลาะตอบเขาด่าก็ด่าตอบเขาประหารก็ประหารตอบชื่อว่าทําให้ปรากฏใช่ไหม เช่นว่ามีสัตว์เลื้อยคานมาฟูบูมากัดเขานิดหน่อยอย่างเงี้ยล้วก็โกรธหรือว่ากรณีที่ไม่ต้องอะไรเราเราเดินเดินเดินไปเนี่ยใช่ไหมพอเขาขวางหน้าหน่อยเงี้ยก็โกรธอย่างเงี้ยนะลักษณะอย่างเงี้ยลักษณะนี้เขาเรียกใจไม่งามกุศลศีลไม่เดินต้องแก้ไข ต้องแก้ไขทีนี้การแก้ไขไม่ใช่ไปแก้ไขร้อยเหตุการณ์เกิดขึ้นดังกล่าใช่ไหมก็ต้องแก้ไขวิธีคิดตรงนี้พอเข้าใจอย่างแต่เนี้อยอยอมพอจะเดินได้ไหมแต่เนี้ยกูศรศีลได้ใช่ไหมนี่เดินได้ไม่ต้องไปไข้ควรบ่อยไหมแบบเนี้ยไข้ควรบ่อยต้องไข้ควรบ่อยเลยเอามีใครจะใครจะถามเรื่องอะไรไหมแต่เนี้ยอาไม่ถามเข้าเวทนาต่อ ครั้งที่แล้วก็พูดถึงในเรื่องของเวทนาในเวทนาเนี่ยนะในเวทนาเนี่ยดังที่ได้กล่าวแล้วว่าพ่อปรมศาสดาตรัสในเรื่องของเวทนาไว้ว่าสุขเวทนาที่ปรารบสุขเวทนาทางกายและสุขเวทนาทางใจถ้าสุขเวทนาทางกายเรียกว่ากายยิกสุขถ้าสุขเวทนาทางใจก็เรียกว่าเจดสิกสุขในกรณีของทุกขเวทนาและเบคะเวทนาก็ทราบ ทั้งทางกายและทางใจเช่นเดียวกันทีนี้ในสติปัฏฐานสูตรนี่นะและการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยนะท่านให้รู้ว่าว่าภิกษุเนี่ยเป็นผู้รู้ผู้ที่สามารถที่จะละความยึดมั่นละความยึดมั่นถือมั่นนะในเวทนาเป็นต้นเหล่านี้ได้เป็นต้นังกล่าวทีนี้ว่าการ ศึกษาคําสอนเนี่ยต้องรู้จักสภาวะของเวทนาตามความเป็นจริงอ่ะสภาวะของเวทนาเนี่ยเวทนามีลั ก, ลกษณะเวทนามีกิจของเขาเวทนามีผลปรากฏแล้วก็มีเหตุมีปัจจัยของเวทนาเป็นต้นแล้วก็รู้ไตรลักษณ์ของเวทนาเหล่านั้นว่าเมื่อที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาก็หมายความว่าบังคับบัญชาไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุปัจจัยมีการเสื่อมไปดับไปคลายไปเป็นธรรมดา การรู้ลักษณะอย่างนี้แล้วจะเบื่อหน่ายในเวทนาผู้มีสุตตะก็คือผู้ฟังพระธรรมคาทำทำสอนของพระพุทธเจ้ามาดีก็เบื่อหน่ายคลายกำหนัดในเวทนาทั้งที่สุขเวทนาทุกขเวทนาแล้วก็อุเบขาเวทนานะกระทั่งก็หลุดพ้นจากการสิน้นพบก็สิ้นชาติเป็นต้นเหล่านี้ประเด็นต่อไปก็คือว่าอาทุกขมสุขเวทนาเนี่ยที่เราบอกถ้าทุกขเวทนาก็ในายาติตรงกันข้ามเปล่าไว้แล้ว ถ้าอทุกขมสุขเวทนาก็คือว่าตรงนี้ก็คือว่าเป็นเวทนาที่เป็นอุเบกขาเวทนาเนี่ยนะตรงนี้เป็นเวทนาที่เป็นปฏิปักษ์กับเวทนาทั้งสองก็คือทั้งทุกขเวทนาและสุขเวทนาเนี่ยนะใช้คาว่าอุเบกขาอุปานี่ก็เป็นอุปสรรคไปอิจฉะธาตุบวกอัจจัย และระบบอิถีโชตักะปัจจัยก็คือพระอัตถกาถาจารย์ได้แบ่งแบ่งสภาพของกลุ่มของเวทนานี่นะไวอวชลังคูเปกขาอย่างหนึ่งพรมวิหารุเปกขาอย่างหนึ่งพ่ชังคูเปกขาตัตระมชัตตาเจดสิกก็คือเปกขาได้ละวิริยุเปกขาก็คือวิริยัเจดสิกสังขารุเปกขานั้นเป็นชื่อของปัญญาเจดสิกเวทนุเปกขานี่เป็นชื่ออเวขาเวทนา วิปัสณูเปกขาก็คือปัญญาเจรสิกเหมือนกันตัตระมัชชุเปกขาก็ตัตระมชัชชะตาเจรศิกชานุเปกขาก็คือตัตระมชัชชะตาเจรสิกเป็นชานุเปกขาปาริสุทธะเปกขาก็คือตัตระมชัชชะตาอันนั้นคือในอัจฉริเกี่ยวกับอุเปกขาที่เป็นฝ่ายเวทนาท่านได้จําแนกเอาไว้ก็คือว่าเคห์สิตาอุเบขา หรืออัญญานุเปขาอุเบกขาที่ประกอบไปด้วยโมหะถ้าหากว่าอุเบกขาที่อาศัยเรือนน่ยนั่นแหละเป็นอุเบกขาที่ประกอบไปด้วยโมหะเขาเรียกอัญญานุเปขาเข้าใจใช่ไหมเช่นอุเบกขาที่อาศัยกา ร, รมคุณเนี่ยฉะนั้นอัญญานุเปขานี่มีลักษณะคล้ายปัญญาเนี่คนบางคนก็นึกว่าโอ้ท่านพวกนี้เป็นคนวางเฉย ใครจะว่าจะกล่าวอย่างไรก็ไม่ค่อยจะโกรธว่างั้นนะแล้วก็ไม่ค่อยไปยินดีกับใครรอกว่างั้นนะไม่ยินร้ายด้วยดูเหมือนปัญญาไม่ยอมแก้ใครเพราะท่านเรียกว่าเออมันรักหนาเฉยๆนะเอาสิใช่ไหมเอาใครใครจะพูดให้มาพาาัลนาให้ล่าเลยยังไงก็เฉยไมย่ใช่ไหม ก็ธรรมดาใครไปว่าไปโกรธเขาทำไมก็เฉยไคก็ไม่รู้เรื่องทั้งคู่เนี่ยนะลักษณะนี้ก็เรียก อ, อัญญานุเปขาอัญญานุเปขาอันตอนนั้นอุเบขาที่ประกอบไปได้วยโมหะเนคข ม, มะสิตาอุเบขาหกและอวัชนุเปขาเป็นต้นเนี่ยนะอันนั้นก็เกี่ยวกันในเรื่องของอุเบขาที่ อาศัยเนคขมะมเดี๋ยวท่านจะไปขยายในส ก, กา b ปัญหาสูตรสามิ ส, สุกะเวทนาก็หมายถึงสมนัสสเวทนาที่ประเภทเคหสิตาสุหกประการซึ่งอาศัยอามิรอามิรในที่นั้นก็เป็นชื่อของอะไรนะอามิสเนี่เป็นชื่อของอะไรอากรมคุณเน่ยไหม ก็คือกามาคูนหคือรูปเสียงกิรลดสัมผัสเคหัสิตาสมนัตก็คือสมนัตที่เกิดขึ้นโดยอาศัยเหตุที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอาศัยอยู่ในครอบครัวเดียวกันมีมารดาบิดาสามีภรรยาเป็นต้นนะสมนัตก็คือความยินดีในการที่ได้เห็นบุคคลในครอบครัวประสบความสําเร็จซึ่งความดีใจนี้จัดว่าเป็นสมนัตเวทนาที่อาศัยกามคุนคือรูปเสียงกิรลดสัมผัส ได้ผ่านทาวารทั้งหนะผ่านจักขุทาวารโสตาทาวารคานาทาวารคิวหาทาวารกายาทาวารมโนทวารก็ประชุมลงสู่ใจแล้วก็เกิดโสมนัสเวทนาขึ้นมาเพราะอาศัยนั่นแหละอาศัยขีหศิตะนั่นแหละนะอุเบกขาที่อาศัยกรรมคุณที่เกิดขึ้นนะเกิดขึ้นในที่นั้นก็คือว่าเกี่ยวข้องกับบุคคลผู้อยู่ในครอบครัวเดียวกันนะหรือ เพื่อนปูงบริวารต่างๆญาติาตาามิตรเนี่ยเขาเรียกว่าท่านในชั้นของดีการุ่นหลังๆมานี่นะท่านใช้คำว่าตัณหาภายใน